บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและกล่าวมาถึงเรื่องของอุปท า, านคือจิตที่มีความคิดมั่นคือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสประเภ ท, ทต่างแลักษณะของอุปท า, านนั้นเป็นความเกี่ยวเนื่องกันของประสาทสัมผัส จะมีตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วก็วเกิดเป็นสผัสคือการกระทบกันของอเหตนาภายในภายนอกจะนั้นใจก็กําหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยอำนาจความรักความจังหรือความไม่แน่ใจแล้วก็ให้เกิดเป็นเวทนาออกมาในลักษณะต่างๆถ้ากําหนดด้วยความรักก็เกิดสุขเวทนากําหนดด้วยความชังก็เกิดทุกขเวทนา กำหนดด้วยความไม่แน่ใจก็เกิดอทุกขกรรมสุขกเวทนาจากนั้นใจก็จะสายไปด้วยอำนาจของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายตั้งในช่วงของการแสวงหาตั้งในช่วงของการยึดครองตั้งในช่วงของสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของบุคคลก็จะสายไปด้วยอํานาจของตัณหาทึ้งจะเห็นว่าแม้ในช่วงช่วงของตัณหาเองก็มีความทุกข์เจือปนอยู่ เช่นในช่วงของการแสวงหาก็ต้องประสบความทุกข์เมื่อได้มาก็ประสบความทุกข์ในการรักษาเมื่อไม่ได้ก็ประสบความทุกข์เพราะการผิดหวังและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ประสบความทุกข์ด้วยความโศกเพรา ะ, ระพราดพลากจากของอันเป็นที่รักที่ชอบใจ แ, ะแัะตกรใจส่วนของตัณหานั่นเองก็ก่อให้เกิดเป็นอุปาทานคือความยึดติด ลักษณะของความยึดติดที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลก็จะออกมาสามแนวเช่นเดียวกันคือยึดติดด้วยอํานาจความรักใคร่พอใจยึดติดด้วยอํานาจความไม่ชอบและยึดติดด้วยอานาจความไม่แน่ใจกรทรวงยับยั้แสดงออกไปเป็นอุปาทานที่ได้กล่าวมาแล้วสองข้อด้วยกันคือการมุปาทานถือมั่นด้วยอานาจของความใคร่ในสิ่งที่เราใคร่ ทิฏฐปาทานถือมั่นด้วยทิฐิคือความคิดเห็นเน้นไปที่ความคิดเห็นซึ่งไม่ถูกตรงตาหลักของความเป็นจริงและศีลับปาทิปาทานถือมั่นด้วยศีลและวัดดรวยข้อปฏิบัติต่างๆเป็นลักษณะของความยึดติดด้วยอำนาจของความลง แต่การยึดติดนั้นเป็นสังเกตว่ามีอาการของโลภะมีอาการของราคะคือความสิในหาความเยื่อใจความพอใจความสยบติดอยู่ในสิ่งที่เรายึดติดเหล่านั้นกลายเป็นความเชื่อถือที่ไม่ยุติดด้วยเหตุผลและความดีในชั้นต่างๆเป็นอาการของความเข้มข้นความเข้มข้นของโมหะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียด ระดับที่เป็นหยาบๆนั้นเป็นสังเกตการยึดติดด้วยอำนาจรูปแบบพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อถืออย่างประลัมปรามายุติดและเหตุผลและความจริงเมื่อมีการสอบสวนทวนถามด้วยหลักของเหตุของผลก็หาข้อยึดติดไม่ได้เต็มความยึดติดด้วยอำนาจของสายไสยศาสตร์ด้วยอำนาจของดาราศ า, าสตร์ด้วยอำนาจของโช ค, คร่ำต่างๆเป็นต้น มีความเชื่อถือในแนวนี้แพร่หลายกระจายอยู่ทุกส่วนของโลกพรจริงสัตว์โลกก็ต้องประกอบด้วยโมหะเป็นเครื่องคุ้มขอใจิตใจเอาไว้เพียงแต่ว่าความยึดติดนั้นจะอยู่ในระดับใดแต่นั้นเองสิ่งที่เรานำมายึดติดส่วนมากจะเป็นเรื่องของความเชื่อถือที่มีการถ่ายทอดกันมาอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนแถวของคนตาบอดที่จูงกันมาเป็นแถว คือตั้งแต่หัวแถวมาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนไปยึดถือนั้นคืออะไรแล้วก็ถ่ายทอดให้คนที่สองที่สามที่สี่ก็ถ่ายกันมาโดยลำดับคือจากหัวแถวถึงปลายแถวไม่มีคนรู้เรื่องเหล่านั้นอย่างจริงๆแต่ก็สั่งสอนจนกลายเป็นลทัทธิเกิดจำนวนคือยอดจำนนตามข้อมูลในเงื่อนไขต่างๆที่คนรุ่นก่อนก็ถ่ายทอดมาให้บางอย่างก็อาจจะยุติ้วยเหตุผลและความดีบางระดับ แต่บางอย่างก็กลายเป็นความงมงายที่ไร้เหตุผลลักษณะความยึดถือเหล่านี้เนื่องจากพื้นฐานมาจากโมหะคือความหลงเราต้องการที่จะให้บุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามตนไปด้วยซึ่งเป็นอาการของโลภะถ้าบุคคลอื่นมาเห็นตามคล้อยตามตกนบุคคลก็จะเกิดโทสะแต่ถ้าหากว่าเห็นตามคล้อยตามตนก็จะเกิดโลภะแต่ต้องการเพิ่มบริษัทบริวารขึ้นไปให้มากยิ่งขึ้น จนบางครั้งก็กลายเป็นคณาจารย์เจ้าระชิที่มีการสั่งสอนกันอยู่ในยุคในสมัยต่างๆและแม้แต่การแยกตัวออกไปจากศาสนาต่างๆเพราะความคิดแปลกแยกจากหลักธรรมที่มีอยู่ก่อนในศาสนานั้นๆก็กลายเป็นอาการของศิละปัตุปาทานหรือมั่นโดยศิลด้วยวัดและด้วยข้ อ, ขอปฏิบัติที่กำหนดกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลัง จนถึงสามารถทำให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการนั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไปฏิเสษวิธีการเห่านึ้นความเชื่อถือเหล่านี้มีมาก่อนพุทธกาลถ้าจะถามว่ามีตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็ตอบไม่ได้เพราะว่าสืบสวนค้นคว้าไปถึงศาสนาดึดําบันก็มีความเชื่อถือในลักษณะนี้อยู่ตามปกติแล้วก็จะมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มองในแง่มุมที่ถูกต้องแลชัดเจน พระตามปกติการมองอะไรจะตัดสินอะไรลงไปนั้นจะมองทั้งแนวลึกแนวกว้างเรียกว่ามองรอบชิดที่ท่านเรียกว่าญาณทัศน์คือรู้เห็นเป็นความรู้ความเห็นที่รอบด้านของสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการตัดสินเอาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างความเห็นที่เชื่อถือกันว่าเป็นมงคลซึ่งเกิดขึ้นก่อน พ, พุทธกาลเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าแสดงแสดงมงคลในสูตร1ิปี คนนั้นก็พากันสงสัยว่าอะไรเป็นมงคลแต่คนผู้หนึ่งก็ถือว่าฉลาดกว่าคนโง่เหล่านั้นว่เสนอว่าสิ่งที่ตนเองเห็นนั่นเองเป็นมงคลเวลาท่านอธิบายท่านก็จะชี้เฉพาะสิ่งที่ดีๆแล้วก็โบ้มนาวจิตใจของบุคคลให้เห็นตามคล้อยตามท่านไปได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็กลายเป็นคณะทิฏฐมังกลิกะที่เรียกว่าถือว่าสิ่งที่ตนเองเป็นมงคลแต่คนที่ไปคิดเรื่องเหล่านั้น ก็มองอีกด้านหนึ่งอีกแง่หนึ่งแล้วก็ปฏิเสธว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปคือแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลเสมอไปทุกอย่างก็ต้องเป็นมงคลแต่ในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นบางอย่างก็สบายใจบางอย่างก็ไม่สบายใจบางอย่างก็เกิดตัณหาบางอย่างก็เกิดโลภะบางอย่างก็เกิดทิฏฐิบางอย่างก็เกิดโทสะบางอย่างก็เกิดธรรมะเพราะฉะนั้นจะกําหนดว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลเสมอไปไม่ได้ แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แทรกซ้อนขึ้นมาลักษณะนั้นต้อก็ยึดติดของท่านไปในแนวนั้นหรือพวกที่มีความเห็นว่าสิ่งที่ตนได้ฝังเป็นมงคล <c oughs> ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือท่านจะกําหนดเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆแต่ก็พูดว่าสิ่งที่ตนเองเห็นนั่นแหละเป็นมงคลแล้วก็ยึดถือกัดมาในแนวนั้นก็มีการสั่งสอนกันมาในแนวนั้นคนที่พยายามคัดค้านก็จะสะท้อนมุมอื่นออกมา ว่าถ้าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลแล้วสิ่งทั้งหมดก็ต้องเป็นมงคลแต่ก็จริงแล้วมีเรื่องเป็นอันมากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจกระลุ้มใจก็แสดงว่าสิ่งที่เราได้ฟังนั้นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปแต่คนกลุ่มหนึ่งก็คงจะติดของเขาใครไปคัดค้านใครไปถกเถียงก็จะเกิดโทสะเกิดความพยาบาตขึ้นมา ลักษณะเหล่านี้แม้แต่การพวกทรงเจ้าข้าผีหรือทรงองค์นั้นองค์นี้กันในที่ต่างๆเราจะพบว่าเทวดาบางองค์นั้นทรงกันทั่วประเทศทรงตรงโน้นบ้างตัวนี้บ้างตรงนั้นบ้างแล้วก็ในเวลาเดียวกันถ้าหากเราหยุดคิดกันสักหน่อยว่าแต่ว่าการทรงนั้นจริงองค์ที่มาทรงจริงก็แสดงว่าต้องทรงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งถ้าคงไม่สามารถที่จะแบ่งแยกตัวเองออกไปทรงในสถานที่ต่างๆมากมายกายกองอย่างนั้น แต่ในกลุ่มร่างทรงเหล่านั้นเองก็จะพยายามโจมตีร่างทรงอื่นว่าไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็อยู่ที่เขาและไปถามอีกร่างหนึ่งก็จะบอกว่าตัวจริงอยู่ที่เขาคนอื่นไม่จริงกแสดงว่าในความรู้สึกนึกคิดของคนทรงนั้นก็ถือว่าร่างทรงมีอยู่เพียงร่างคนองที่มาทรงนั้นมีอยู่องค์เดียวร่างทรงที่ถูกต้องก็คือร่างทรงของเขาร่างทรงกคนอื่นนั้นไม่ถูกต้องลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรแก่การสังเกตควรแก่การพิจารณาของบุคคลทั้งหลาย แต่ตามปกติแล้วแนวของศิลปัตุปาทางคือถือมั่นด้วยศีลและวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจลงไปนั้นมักจะใช้ศรัทธานแนวอธิโมกคือน้อมใจเชื่อไปเลยเป็นการสยบติดด้วยอำนาจของการน้อมใจเชื่อลงไปและความคิดในแนวนี้เป็นสังเกตว่าดูแล้วคล้ายๆกับเรื่องความเชื่อในแนวธรรมะเหมือนกัน หมายความว่าในแนวของธรรมะเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีงามาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นตามปฏิบัติตามเชื่อตามอย่างที่เราถือและก็เราจะถือประพฤทธปฏิบัติกันเจตมาพุทธเจ้าทรงศัตรสรูแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะสั่งสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามปฏิบัติตามพระองค์ รงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานก็ต้องการให้คนอื่นรู้คนอื่นตื่นคนอื่นเบิกบานไปด้วยจึงเรียกว่าแปลว่าผู้ปลุกปลุคนอื่นให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานแต่จุดที่ต่างกันนั้นเก็ควรสังเกตก็คือว่าพระริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านทําด้วยความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแลว่วยความสุขให้แก่ผู้ฟังตีตามว่าผู้ฟังเขาเห็นตามคล้อยตามปฏิบัติตามทั้งก็เกิดปีติปรามโมทย์ อย่างที่พระุจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วพระัญกชนัญญะได้ตัดสัรู้ธรรมตามพระองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพ ร, ระพุทธอุทานว่าโกลัญญาได้รู้แล้วหนอกโกลัญญะได้รู้แล้วหนอะก็เป็นเรื่องของปีติปราโมทเป็นธรรมปีติเราไม่ต้องการได้อะไรจากการบรรลุของพระัญญากชนรรัญญะแต่ทรงชื่นชมอนุมโมทนาในพระัญญากอนัญญะที่ท่านได้ตัสรู้ธรรม จุดต่างกันก็เห็นในตรงนี้ว่าคนที่ทำไปเดิมหน้าต้องศีรับปะตูปาฏานนั้นถ้าคนไม่เห็นตามคล้อยตามตนก็จะโกรธแต่เห็นตามคล้อยตามตนก็จะโลภแต่ก็ต้องการผลประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลที่เห็นตามคล้อยตามตนการเป็นบริวารการให้ลาภให้สการให้ชื่อเสียกแกตนเป็นต้นคือยอมสยกตุแต่ของพระพุทธเจ้านั้นจะทาด้วยกรุณาคือพื้นฐานต่างกัน เป็นการทําด้วยกรุณาแล้วก็มีปีติปราโมทที่เขาได้มีความเจริญก้าวหน้าไปแต่ว่าสภาวะบางคนที่ทรงแสดงสั่งสอนไปแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนเราทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นกรรมของเขาพระไตยก็ยังสู่กรรมมสัสกตรญาณมองเห็นการทิัต์ั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของข้องตุลจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไม่ได้มีความเดือดร้อนภายในพระไตย เช่นว่าสิ่งจะต้องแตกดับก็แตกดับไปแล้วสิ่งจะต้องเกิดก็เกิดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายนั้นไปเป็นไปตามกรรมแล้วไม่มีคําว่าดีใจและไม่มีคำ ว, ว่าเสียใจอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่รงทรงแสดงสั่งสอนและพระอรันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นบนลักษณะของความคิดที่เป็นศีลปฏตุปาทานจึงเป็นอาการของโมคะที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลด้วความดีมีประการต่างๆ บางครั้งแม้จะเป็นเรื่องดีเป็นการยึดติดในรูปแบบต่างๆในการประพฤติปฏิบัติท่างกรรมฐานเป็นต้นกรรมฐานานั้นพระเจ้าทรงแสดงอารมณ์ของสมรถกรรมฐานไว้ถึง40ิวิธี T. ใน40ิวิธีนั้นมีพระเถระอระหันบัางพระโสดาบันบัางพระสกิตาคามีบัางพระนาคามีบ้างในอดีตได้บรรลุมาแล้วโดยการปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้นั้นก็ไดข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกสินทั้ง10อนุสติ0เจโยตุธาตระวัฏฐานหรือมองอาหารเรปฏิกูลสัญญาหรือว่าเจริญพรหมิหารเป็นต้นก็มีบุคคลเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลด้วยการปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งแสดงเห็นว่าแต่ละข้อนั้นเป็นปฏิปทาหรือเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งนั้น แตนั้นถ้าหากว่าใครไปเกิดยึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ที่ท่านเรียกว่าอิทัมไมวัตสัจจังมโมคะมันยังอย่างนี้แต่นั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงซึ่งในแง่ของความไม่จริงแล้วก็เป็นอาการของอุปาทานวาจาที่เปล่งออกไปหรือแม้แต่จิตใจที่มีความคิดถึงธรรมะเราอื่นนอกจากสิ่งที่ตนยึดจิตในลักษณะปฏิเสธก็เป็นการคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า จิตใจของผู้สอนในลักษณะนั้นจะมีความกระด้างจะมีความถือดีแล้วก็พร้อมที่จะโกรธบุคคลทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยกับตนแล้วก็พร้อมที่จะโลภเมื่อบุคคลทั้งหลายเห็นตามค้อยตามตนการปฏิบัติในแนวนี้จึงถือว่าเป็นลักษณะของศีลและประตุประทานอีกระดับหนึ่งบางครั้งบางคราวเป็นการปฏิบัติที่มีการกล่าวบัญญัติเอาไว้ในพวกฌานทั้ง8ข้อ ซึ่งเป็นผลของการเจริญสมาานกรรมาฐานจะรูปฌานทั้ง4ี่ซึ่งเมื่อบุคคลได้เจริญกรรมาฐานผ่านความสงบชั่วขณะไปแล้วที่เรียกว่ากนิกาสมาธิและความสงบสูงขึ้นที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิความสงบที่แน่วแน่มั่งมั่นคงท่านติดอยู่ในความสงบเหล่านั้นเจริญสมาธิไปเรื่อยๆกิเลสก็ไม่ปรากฏขึ้นรุ่มรุ่มใจเพราะกิเลสกับสมาธิ น, นั้นก็อยู่ตรงกันข้าม เมื่อจิตใจมีสมาธิกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทโลภะก็ไม่มีและเมื่อกิเลสประเภทโลภะเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้เปิดมาจิตใจของท่านอยู่ด้วยสมาธิแม้เพียงระดับอนปนาสมาธิแต่ท่านก็ไม่เห็นกิเลสภายในใจของท่านแล้วในที่สุดก็จะสันนิษฐานว่าเอเซวันโตทุกขะสะนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะท่านไม่เห็นความทุกข์ เนื่องจากความทุกข์เป็นผลมาจากกิเลสท่านก็ไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสถูกสงบไว้ด้วยกําลังของสมาธิท่านก็สารนิฐานเอาในตอนนั้นเองโดยอาศัยจิตใจของตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดสินเทียบเคียงซึ่งข้อนี้ในทางพระวิ น, นัยนั้นยกเว้นเอาไว้ไม่ให้ต้องอาบัตเพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ผิดความเข้าใจผิดในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเป็นนั้นมากหรือบางครั้งบางคราวพระท่านเกิดความรู้สึกก็อย่างนี้แหละ เคยเข้าใจว่าตัวเองบรรลุมรรคผลแล้วมาเพื่อจะถวายรายงานแก่พระพุทธเจ้าว่าการปริบัติของท่านได้บรรลุผลสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยประยัดรับสั่งให้พระอานุ์เป็นต้นไปบอกให้ท่านเหล่านั้นไปที่อื่นก่อนคือให้ไปที่ป่าช้าก่อนให้ไปตรวจดูซากศพต่างๆแล้วก็ทิ้งไว้ในป่าชา้าศพตายใหม่ๆบ้างศพตายนานแล้วบ้าง มีความเปลี่ยนแปลงในศพมากแล้วบ้างน้อยแต่บ้างเมื่อถ้าเหล่านั้นไปดูเข้าพวกซากศพมันก็เป็นแรงกระแทกที่ก่อให้เกิดความกับหนัดก็ให้เพิ่มเกิดความรังเกียจและก่อให้เกิดความหวาดกลัวความกับหนัดก็ดีความหวาดกลัวก็ดีหรือความรังเกียจก็ดีนั้นเป็นพื้นใจของคนอยู่แล้วที่เราพูดว่ากลางกินหนอนกลัวเพรา้นพื้นใจเหล่านี้เมื่อถูกแรงกระแทกจากซากศพ ตึงตายใหม่ๆหรือบางทีก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรตายธรรมดารูปร่างก็ยังสดใสสวยงามจุจิตใจก็ถ้าถูาถกศเโลนั่นกระแท้ก็อาจจะเกิดความกำหนัดก็ได้บางครั้งไปเจอศพที่มีกลิ่นเหม็นมีการเปิดหน้าออผุพังไปเป็นนั้นมากแล้วทั้งเกิดขยะขยงก็ได้หรือบางครั้งศพมีรูปลักษณะที่น่ากลัวทั้งเกิดความกลัวเกิดมากก็ได้ แสดงอาการเหล่านั้นฟ้องใจท่านในขณะนั้นว่าจริงๆแล้วใจท่านยังไม่ได้เข้าถึงผลสูงสุดในทางศาสนาอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ตามปกติท่านจะรู้ด้วยใจของท่านเองเมื่อท่านรู้ด้วยใจของท่านแสดงว่าเป็นการยอมรับสภาพพระพุทธเจ้าก็จะใช้ชัพพันรังสีปรากฏแก่ท่านเหล่านั้นได้จะเทศสอนที่แจ้งให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นท่านก็นั่งลงโดยอาศัยซากศพเป็นอุปกรณ์ในการจเจริญปัศานาบรรลุมรรคผลจริงๆจะดันจึงไปคว้าพเราคนเดียวเท่า น, นั้นท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าลักษณะของศีละปตรตุ ป, ปาทานเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันนั้นจะมีลักษณะของสีละปตรตุ ป, ปาทานอยู่เรื่อยๆเพียงแต่หยาบหรือกลางหรือละเอียดเท่านั้น เช่นท่านอาลาดาบุตรอุตะกดาบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเดัะสรุปแต่ในแนวขั้นตอนของการปรฏิบัติตแล้วจิตใจของท่านพัฒนาไปสูงมากจนเรียกว่าไม่เห็นกิเลสภายในใจแม้จะมีแรงกระแทกถ้าไม่แรงเกินไปกิเลสนั้นก็จะมีผูกขึ้นมาภาพที่ชวนกระตุ้นยั่วยวนห้เกิดความกำหนัดถ้าไม่มากไปท่านก็ไม่กำหนัด กิริยาอาการที่แสดงออกในรูปกระตุ้นนี่เกิดความกัดเคืองถ้าไม่มากไปท่านก็ไม่กัดเคืองกิริยาอาการต่างๆนี่ก็เกิดความรุ่มหลงประมาทมม่เมาท่านก็ไม่ประมาทมม่เมาถ้าไม่แรงเกินไปนี่ตามปกติคนเราจะเจออารมณ์แรงๆนั้นมีน้อยโดยเฉพาะพวกนักบวชเพื่อฤาษีทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของศีลปัะตุปาฏานมากนั้นท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำ ส่วนมากก็เป็นการอยู่คนเดียวพรอารมณ์ที่มากระแทกจริงๆก็ไม่ค่อยมีเมื่อไม่ค่อยมีท่านก็จเจริญสมาธิอยู่ด้วยประจิตสุขในสมาธิท่านก็จเจริญก็ท่านเดินพอจิตชักจะไม่สงบท่านก็รีบนั่งสมาธิจิตไม่สงบท่านก็เริ่มนั่งสมาธิไปใจท่านก็อยู่ด้วยสมาธิไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็ตัดสินด้วยความรู้สึกนึกคิดของท่านดังกล่าวไว้ในตอนต้น จึงกลายเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตเอาไว้ว่าบนเส้นทางของการศึกษาประพฤติปฏิบัตินั้นที่จริงแล้วแนวของพระพุทธศาสนาคล้ายกับแนวของฤาษีชีไพรในตอนตอน้ตนๆคือเข้าไปอยู่ในป่าในลอมฟากในถ้ำในภูเขาในโคดไม้ในที่ว่างเปล่าต่างๆในป่าช้าเป็นตน้นซึ่งไม่มีภาพกะตุนให้เกิดความกําหนัดเกิดความขัดเกื่อนเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาแต่ประการใดและท่านก็จเจริญจิต ด้วยสมาธิอยู่เรื่อยๆเพราะงั้งนั้นก็ไม่เห็นกิเลสบางครั้งจึงเกิดตรงขึ้นมาได้แต่ว่าจุดหมายของพระพุทธศาสนานั้นไม่สอนให้ติดจุดทรงนั้นแม้พระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุอานวสัญญานาสัญญายตนาชาั้งถือว่าเป็นชานที่ประณีตมากมองสรรพสิ่งค่อนไปทางเป็นอนัตตาที่แปลว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิง มองโลกทั้งปวงที่เราสรุปเป็นนามมรูปในตอนหลังนะสรุปเป็นนามรูปรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสุดดมด้วยจมกูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องโดยกายแสดงว่าท่านแยกรูปออกไปได้มากเชนว่าแยกออกไปเป็นดินน้ำลงไฟเป็นอากาศแล้วก็เป็นวิญญาณแล้วแยกอาการก็ดินน้ำลงไฟออกไปอีกก็ย่อยออกไปโดยดำดำอย่างที่แยกออกเป็นจิ้นเป็นอันอดได้สัมผัสได้ ธาตุดินลักษณะใดที่แข็งแข็งซึ่งอยู่ในกายนี้เห็นผมขนและความนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารไก่ออาหารใหม่อาหารเก่าตลอดทั้งมันสมองเป็นลักษณะแข็งแข็งธาตุที่เด่นก็คือธาตุดินแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เรียนรู้ถึงธาตุที่เจือปนอยู่ในความเป็นดินจนย่อยออกไปเป็นอนเป็นปรมณู ลักษณะได้เอิบอาบซึมซับไปมาได้แต่แก่น้ําตาน้ําลายน้ําเหงื่อน้ําไขข้อน้ำโมูกน้ําตาเปลีวมันน้ําเหงื่อมันข้นเป็นต้นซึ่งก็อยู่ในร่างกายก็เดแล้วท่านยังแยกย่อยน้ําออกไปโดยลำดับจนถึงกับไม่มีน้ําเพราะถือว่าน้ํานั้นเป็นธาตุผสมเมื่อย่อยไปถึงตัวสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เป็นแม้แต่อนหน ลักษณะใดาพัดผ่านได้เช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในท่ายลมหายใจลมตามตัวก็ถือว่าเป็นธาตุลมและในลมนั้นเองก็ย่อยออกไปโดยลําดับได้อีกลักษณะใดาที่ทํากายอบอุ่นทากายให้กระวนกระวายทํากายสุดโทมภาวะหารให้ย่อยลักษณะนั้นเป็นธาตุไฟแล้วก็ย่อยไฟออกไปได้ทั้งจุดสุดท้ายเป็นเงนนและในส่วนของอากาศาธาตุก็คือช่องว่างต่างๆจนถึงช่องว่างระหว่างเสน ที่มาต่อกันในแต่ละช่องเวลกของประวัตศาสตรศาสนาหรือหลักของธรรมชาติจริงๆนั้นท่านมองเห็นมานานแล้วว่าร่างกายเราจริงๆไม่ใช่เป็นการเกาะกลุ่มอย่างติดเป็นเนื้อเดียวกันแต่เป็นการเอาอนูต่างๆมาเรียงเอาไว้ไม่รู้สักกี่แสนกี่โกดอนตํำนองคล้ายๆกับเราขีดเส้นด้วยด้วยช็อคที่ไมก้กับอติที่กระดานดำแต่เรามองไกลๆมันก็เป็นรูปเป็นร่าง แต่ถ้าไปมองใกล้ใช้ตาเราดีหน่อยใช้แว่นขยายหรือใช้กล้องสองดูก็ปรากฏว่าเป็นการเรียงของอนุเล็กๆที่มีอยู่ในช็อคเท่านั้นเองไม่ไดมีส่วนใดที่ติดต่อกันเลยจะมีช่องว่างอยู่เสมอและในช่องว่างเหล่านั้นก็คืออากาศที่ซึมอยู่ในส่วน น, นั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมองเห็นโลกว่าจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความยึดถือเกือบจะไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีอยู่คือดูเหมือนจะไม่มีเอาก็ยิงก็ยังมี ตัณหุปมาเหมือนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มองบาตซึ่งใส่น้ําแล้วก็เทน้ําทิ้งออกไปคือถ้ามองในแง่น้ําจะดื่มน้ําในบาตนั้นก็ไม่มีเพราะเททิ้งไปแล้วถ้ามองในแง่ของสภาวะความเป็นน้ําก็คือความเย็นและความเปียกชื้นน้ํานั้นก็ยังมีอยู่เพราะบาตรนั้นยังไม่ได้เช็ดน้ําลักษณะจิตใจของท่านที่จเจริญมาถึงขั้นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกว่า จะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่หรือจะมีก็ไม่เชิงจะไม่มีก็ไม่เชิงแต่ควาจริงแล้วใจก็ยังยึดติดในตัวนั้นจบแล้วก็เกิดมีการกําหนดหมายว่าเอเสวันโตทุกขสระนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกประเพณนั้นท่านอาราดาบทกด็ดีท่านอุตะกัดดาบทกด็ดีจึงหยุดการคเป็นเพียนตั้งแต่นั้นถือว่าเป็นที่สุดแห่งทุกแล้วพระโพธิสัตว์เองเมื่อมาศึกษาในสํานักของอาจารย์ทั้งสองศึกษาไปถึงจุดสุดท้าย เป็นในวันสัญญาณสัญญาญตระเหมือนกันในสํานักกองทัพอุตตรกาอาบุตแต่รพระโพธิสัตว์ท่านใช้ปัญญาสอดส่องคล้ายๆกับเอากล้องจุลทัศน์หรือกล้องอิเล็กทรอนิกส์สโคบมาดูเชื้อเล็กๆมาดูอนุลเล็กๆซึ่งมีการขยายต่างๆหลายพันหลายหมื่นเท่าด้วยกันในสุดท่านก็เห็นว่าที่จริงมันยังมียังมีตัวความยึดติดในคําว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ในตัวอนุลเล็กๆนั่นเอง แล้วพระองค์ก็เริ่มบาเป็นเพี้ยนกรลาออกาก้วตาของอาจารย์นะ่ที่ทราบกันนี่เป็นการแสดงเห็นว่าแนวอย่างนี้ก็เป็นอาการของศีลปฏปรรามาตอีกประการหนึ่งศีลปฏูปทานคือเป็นศีลปติปรรมาตการถือมั่นโดยศีล้ดยวัดรืยข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการยึดติดอีกประการหนึ่งจนถึงในที่สุดคนที่จะลากความเห็นเหล่านี้ออกไปได้ก็ต้องบรรลุระดับโสดาปติพน ปณประโสงดานจึงละศิลปฏิบุตรปามะศีลปฏิบุตรารามะคือการถือมั่นโดยศีลและวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆได้ทีนี้การมองที่สภาพจิตนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะความเปลี่ยนแปลงในทางจิตเมื่อเปลี่ยนตรงหนึง่งตรงอื่นก็ต้องเปลี่ยนด้วยไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆก็เหมือนกับเราเปิดสวิตไฟขึ้นมาคือไม่ใช่เพียงเพราะเปิดสวิตเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเปิดสวิตไปแล้ว แสงสว่างต้องเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดต้องหายไปและเมื่อความมืดหายไปแล้วสิ่งที่อยู่ในที่มืดต้องปรากฏแก่จักษุประสาทของเราจึงชื่อว่าในกระบวนการการเปิดไฟนั้นบรรลุเป้าหมายแล้วการปฏิบัติธรรม ก, ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลเกิดเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์โดยทิฏฐิแล้วก็จะต้องถ่ายทอนความยึดติดด้วยอํานาจของกิเลสประเภทดังกล่าวได้ ในอุปาทานนั้นท่านเรียกว่าศีระปตุปาทานในสังโยชน์นั้นทรงเรียกว่าศีระปตปราบมารในอนุสัยก็ทรงเรียกว่าศีระปตุปราบมารก็เป็นอาการของจิตในช่วงยึดถือก็เรียกว่าศีระปตุปาทานในช่วงที่มันเป็นอาการทําปฏิกิริยาต่อจิตทําให้จิตก่อยคือการยึดติตด้วยอํานาจความหลงที่ไม่ยุดติเหตุผลในความดีท่านก็เรียกว่าศีระปตะปราบมาร แต่วลักษณะที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในใจเรามันสงบอยู่ภายในใจเราไม่ได้มีอารมณ์อะไรมากระแทกแรงๆก็พวกนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงก็มีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรมากระทบไม่มีอะไรมากระแทกมันก็ไม่ได้เกิดอาการเราดันคิดมาส่วนที่เป็นตะกรนอนก้นอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าอนุสัย ก็รสรุปแล้วทั้งหมดนั้นเป็นการเรียกอาการของจิตที่มีความยึดติดด้วยอำนาจของศีวัตะปรามาสนั่นเองแต่เมื่อบุคคลผู้นั้นได้เข้าถึงจุดนี้แล้วต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตดังกล่าวคือจะต้องมองคนอื่นที่ยังยึดติดอยู่นั้นด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่มองโดยการดูถูกดูหมิ่นือเยียดยาม ดังตามปกติแล้วบุคคลจะไม่สังเกตทิศทางในจุดในจุดนี้เวลาตนเองทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เกิดมานะเกิดทางการมามังการขึ้นมาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเราดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้สูงกว่าคนโน้นปฏิบัติธรรมได้สูงกว่าคนนั้นเป็นต้นเป็นการเปลี่ยนกิเลสอย่างหนึ่งมาเป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นการละกิเลสหรือการดับกิเลส เพราะการลักกิเลสนั้นจะต้องละแล้วทยอยล้มกันไปเป็นแถวสมมติว่ามีโทษะหรือมีโลภะเกิดขึ้นต้องการที่จะรักทรัพย์ของบุคคลอื่นเพื่อแก้แค้นหรือต้องการจะลักทรัพย์ของบุคคลอื่นด้วยความอยากได้ปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นพิจารณามองเห็นโทษของการลักมองเห็นความรู้สึกทุกโทมนัตที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าของทรัพย์สิน มองเงินบาปที่เกิดขึ้นจากอาทิตนาธานมองเงินความเป็นาศาสนาฐายาที่จะรักษ า, าศาสนามองเงินคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นต้นเกิดขึ้นภายในจิตของบุคลคลก็แสดงว่าจิตในขณะนั้นปัญญาได้เกิดขึ้นทําที่ะจัดความหลงความคิดที่จะรักด้วยอํานาจความโลภ ก, ก็สงบความคิดที่จะรักด้วยอำนาจความโกรธก็สงบซึ่งก็หมายความว่าเมื่อหลงสงบไอ้โลภโกรธก็สงบตามไป ปฏิกริยาต่อจิตภายในจิตที่เกิดขึ้นจากการละศีลปฏิุรปาปาทานหรือศีลปติบประมาทก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาถ้ามองคนอื่นด้วยความดูหมิ่นมันก็กลายเป็นมานะที่เรียกว่าดูหมิ่นท่านมองดูคนอื่นด้วยการตีเสมอก็เป็นการเป็นเรื่องของมานะเป็นการแข่งดีเป็นการตีเสมอมองด้วยความประมาท หรือจนถึงบางครั้งก็กล่าวเป็นวนจีทุจริตก็แสดงว่าเราเปลี่ยนกิเลสตัวหนึ่งเป็นกิเลสตัวหนึ่งและกิเลสตัวที่เปลี่ยนที่จริงไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบเท่านั้นเองตแต่นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป